พุทธวัตรสวัสดีค่ะพุทธวัตรในที่นี้หมายถึงพุทธวัตนะหรือว่าวัตนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําพูดของพระพุทธองค์นั่นเองนะคะจะนําพาความสวัสดีมาให้กับผู้ที่ได้น้อมนํามออกไปปฏิบัติตามแล้วเราก็มีเรื่องพวกนี้ค่ะทั้งรายการเลยไม่เพียงแต่เป็นการให้ทราบเท่านั้นแต่เป็นการให้ซึ้งด้วยจากการที่ได้ลงมือปฏิบัตินะคะตั้งแต่ตอนต้นของรายการ ในช่วงต้นนี้เราก็มีพระมารคชาคาวโรวัฒนาปาพงลำลูกาคลองสิ ม, มาพบกับท่านค่ะนวัฒนการค่ะท่านค่ะเจริญพรเช้าวันนี้เราก็มาทำความเพียรเผากิเลสสวัสดิสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกันโดยเรามาเจริญอาณาปานาสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเรามามีสติ ตามที่พระพูมีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้คือหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทาความรู้ความเฉพาะซึ่งกายทางปวงหายใจเข้าและหายใจออกทำกายให้สงบมประนัำและหากเราหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์อดีตอนาคต ผู้มีพระภาคเจ้าก็แหอลักความเปลี่ยนในอารมณ์เหล่านั้นเสียน้เท่านี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่เดินตามประถาคตอย่างถูกต้องอย่างซื่อตรงแล้วและเราก็มาฟังปูตชนะคำสอนของพระองค์กันอยู่ก่อนพิดษุกทั้งหลายแต่ถาคต เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ผู้ตััสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิ ช, ชาและจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทมออกสั่งสอนสัตว์ิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมนาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นห้ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำที่ตถาคตแสดงนั้น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 เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมรรตยูฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรรตยู ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนามทั้งโลกนี้และโลกอื่นจะาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว ที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มรุตยอยู่ไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทางปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโลกไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษม กระแสแห่งมาผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกาจัดเสียแล้วทำให้หมดพิสมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูมด้วยปราโมดปรารถนาทำอันกเกษมจากเครื่องร้อยรัดเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุ ป, ปรารถนาว่า กายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปปาทานดังนี้เราไซอานาปานาสติสมาธินี่แลอันภิกษุทนั้นพึงทําไว้ในใจให้เป็นอยา่างดีดังนี้แหล สำหรับวันนี้เราก็เจริญอานาปา น, าา น, าานสติทำความเพียรพอกิเลสและฟังพุทธโอชนะมาสมควรแก่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำความเพียรและฟังพุทธโอชนะกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ท่านมากแค่บางคนบอกว่าเวลาของการปฏิบัติธรรมในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างสั้นดิฉันจําผิดไหมคะที่บอกว่าพุทโธตรัสว่าเพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็เท่ากับไม่เหินห่างจากฌานแล้วใช่ถูกตอ้อง บอกว่าถ้าเรามาเจริญอาณาปานสติแม้ช่วงการเพยงนัดมือก็ได้ดวย่าเป็นผู้ไม่เหินหากจากชาและทำตามคำสอนของพระศาสนาแล้วนะคะเราได้ตั้งหลายหลายรัด น, น, นิ้วมือเดี๋ยวใครทําสมาธิปฏิบัติกันต่อหลังจากนี้ก็ยังทําได้อยู่ค่ะวันนี้นนมส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะมห <จะ S 1> กรรค่ะ